ใจร้อนมากยากจะดับระงับจิตจงพินิษความร้อนไซมาจากไหนแม่เมื่อรู้ที่มาย่อมรู้ไปล้วนจากใจใช่ใดอื่นฝืนทำไม วิวัตต์เราก็มาคลายร้อนทางด้านจิตใจในขณะปัจจุบันนี้ด้วยการเจริญสติอาศัยสตินี่แหละมาเป็นน้ำที่เย็นดับความร้อนรุ่มในจิตใจของเรา ซึเราทําได้ทุกคนเลยโดยเฉ่าเรื่องการปฏิบัติธรรมการเจริญภาวนานี่แหละถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกชีวิตเลยการให้ทานแล้วก็ทําไปรักษาศีลแล้วก็ทําไปก็อย่าลืมเรื่องการเจริญภาวนานการเจริญสตินี่แหละ ผลสูงสุดก็คือเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องกลับมาผจนกับความร้อนรุ่มทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเราจึงมาเน้นตรงนี้เน้นเรื่องการเจริญสติการเจริญภาวนาถือว่าเป็นบุญสูงสุดในทางพุทธศาสนาเรามีชีวิตอีกไม่นานหรอกอยู่บนโอกนี้ยเราอย่าไป เฉยใช้ตามแต่สิ่งอื่นประกอบอาชีพหรือเพลิดเพลิน อ, อยู่กับสิ่งอื่นอย่างเดียวยังไม่เพียงพอต้องอันเหตุจิตใจมาดูแลใจเราเองบ้างด้วยการเจริญสติซึ่งทำได้ง่ายๆออกกายของเราเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยที่คุณพ่อคุณแม่ท่านได้ให้มาธรรมชาติให้มา เอามาเป็นฐานที่ตั้งของสติดูกายที่มันกำลังเคลื่อนไหวดูใจที่มันคิดมันนึกดูที่ลมหายใจที่เป็นเรื่องของกายให้รู้สึกตัวอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่กายรู้เบาๆไม่ต้องไปคิดนึกอะไรทำสบายๆเคลื่อนไหวก็ให้รู้สึกตัว ให้มีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราเ ป, เป็นกายานุปัสนาสติปทานเห็นไหมเห็นกายกําลังเคลื่อนไหวไหมการเห็นเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยตาอย่างเดียวหรอกเราเจริญสติก็ เ, เห็นด้วยความรู้สึกเอาจิตหรือเอาสติเนี่ยเข้าไปสัมผัสกับความรู้สึกของกายที่มันกาลังเคลื่อนไหวหายใจเข้าใกล้รู้สึกตัวหายใจออก ก็ให้มีสติอยู่ในอิเลยียบ ท, ที่กำลังนอนก็ได้นั่งก็ได้จะยืนจะเดินจะเคลื่อนไหวในอิเลยียบท่างๆการประกอบภารกิจต่างๆให้รู้สึกตัวอยู่ที่ตัวเราเป็นปัจจุบันเรารู้กายดูกายก็ไม่ได้เห็นกายอย่างเดียวเราจะเห็นอาการต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นมาจากกายอาการต่างๆเนี่ยเช่นว่าทุกขเวทนาความปวดความเมื่อยความร้อนความหนาวความหิวกระหายน้ำเนี่ยอันนี้เป็นเป็นอาการของกายคืว่าเป็นส่วนของทุกขเวทนามันไม่ใช่กายหรอกครับ มันเป็นเรื่องของอาการที่อาศัยกายเกิดขึ้นกายคือกายแต่ว่าอาการต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ประกอบกับกายเราลองแยกให้ออกซิดีแล้วที่มันมีอาการต่างๆกายที่มีอาการเกิดขึ้นที่เป็นส่วนของทุกขเวทนาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติของกาย ถ้ากายไม่มีอาการต่างๆมีทุกขเวทนาเกิดขึ้ น, นก็ไม่ใช่กายเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนดีเลยครับที่มันมีอาการให้เราเห็นถ้าร่างกายเราเนี่ยมันไม่รู้จากร้อนจากหนาวเนี่ยจะอันตรายเพราะอะไรเพราะเราจะทำงานอยู่กลางแดดร้อนก็ไม่รู้ตัวหนาวก็ไม่รู้ตัวเนี่ยไม่มีอาการอย่างนี้แสดงออกมาเนี่ย แต่ก็จะแผดเผาให้ร่างกายเราเนี่ยไม่กรอบเกรียมไปดีแล้วที่มันยังร้อนอยู่จะรู้สึกร้อนอยู่เราจะได้เข้าร่มแก้ไขในอาการนั้นได้หรือความปวดความเมื่อยต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่กายของเราเนแสดงว่าเขาเป็นปกติแล้วอย่าไปทุกข์อย่าไปเครียดกับเขาถ้าร่างกายไม่ปวดไม่เมื่อยเนี่ย อะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะใช้ร่างกายเนี่ยทำงานหามรุ่มหามคำ่ำไม่ได้พักผ่อนเนี่ยแล้วกายเราจะเป็นอย่างไรก็มีตจะโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมากมายกายที่เกิดความหิวความกระหายหิวข้าวหิวน้ำเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติดีแล้วล่ะเราจะได้ให้เขากินถ้ากายไม่หิวน้ำไม่หิวข้าวเนี่ย กายจะตั้งอยู่ได้อย่างไรนี่อาการต่างๆเนี่ยเขาเป็นสัญญาณเตือนภัยของร่างกายเราจะได้แก้ไขเราจะเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นที่ร่างกายเห็นทุกนีมัดีหลายอย่างเราจะได้ไม่นาเอาสิ่งที่มันแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายเราเพราะเราเห็นว่ากายเราเนี่ยมันเป็นทุกข์อยู่แล้วต้องหายใจเข้าต้องหายใจออก อั น, นี้คือการแก้ทุกต้องดื่มต้องกินต้องอาบน้ำํชำชาระล้างร่างกายทุกประจําตัวอยู่แล้วอิรลียโบสต่างๆที่มันปวดมันเมื่อยต้องแก้ไขต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเนี่ยแล้วเรายังจะเอาอบุรีสุราสิ่งเสพติดต่างๆที่มันไม่ใช่เป็นความจําเป็นของร่างกายเข้าสู่ร่างกายเราเไม่ยุติธรรมกับร่างกายเห็นไหมถ้าเราเห็นตัวนี้บ่อยๆเขาเนี่ย เราจะละเลยนะละเลิกสิ่งเสพติดไม่ให้มันเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยอันนี้คือส่วนของกายบางทีมันเกิดความคิดนึกมันมีนะการเจริญสติเนี่ยความคิดนึกในอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันย่อมเกิดขึ้นได้ให้เรารู้ให้ทันความคิดก็แค่อาการของจิตอันนี้เป็นส่วนของนามธรรมแหละ จิตใจเป็นส่วนของนามธรรมาเรื่องของกายเนี่ยเป็นรูปธรรมอันนี้คือเรื่องของจิตเนี่ยเป็นนามธรรมาจิตคือผู้รู้เนี่ยความคิดนึกต่างๆเนี่ยคืออาการที่มาให้จิตรู้รับรู้รั บ, รบทราบแล้วก็อย่าไปเชื่อเขาเรารู้ไว้เพราะตอนนี้เราไม่ได้ตั้งใจคิดเราไม่ได้คิดด้วยสติ มันเป็นความคิดมันปรุงแต่งขึ้นมาถ้าถึงเวลาที่เราจะคิดเราก็ตั้งใจคิดซะคิดด้วยสติคิดด้วยปัญญาเนี่ยอันนี้ก็เป็นประโยชน์ให้เรารู้ไว้ในความคิดต่างๆคิดดีเราก็รู้ไว้คิดไม่ดีเราก็รู้ไว้อันนี้เป็นเรื่องของจิตเรื่องของความคิดแยกกันให้ใหออกจิตคือผู้รู้เปรียบเสมือนดวงไฟ ความคิดนึกต่างๆเป็นอาการของจิตก็เปรียบเสมือนแสงไฟนะไม่ใช่อันเดียวกันแต่เขาอาศัยกันเกิดขึ้นสติทำหน้าที่เป็นผู้ดูผู้แยกแยะเรื่องของกายเรื่ออจิตความคิดนึกต่างๆที่มันปลุงแต่งจะมีทั้งบาปอากุศลแล้วก็บุญกุศลอันนี้ก็ต่างกันอีกในความคิด แต่ก็เป็นธรรมะเหมือนกันล่ะทั้งบาปอากุศลก็เป็นธรรมะบุญกุศลก็เป็นธรรมะเราเคได้ยินได้ฟังไหมที่พระท่านสวดว่ากุศลาธรมา ร, าธรมะอกุศลาธรรมะกุศลก็เป็นธรรมอกุศลก็เป็นธรรมแต่เป็นธรรมที่ต่างกันก็คือบาปอากุศลเป็นธรรมดาที่เราต้องละโดยเด็ดขาดเพราะว่าบาปอากุศลเนี่ย นำมาซึ่งความทุกข์เราต้องละไม่ทําจะเลยดีกว่าไม่คิดจะเลยดีกว่าใช่ไหมมันเป็นกรรมที่มันติดต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยเราก็ทําหน้าที่ละไปส่วนบุญกุศลเนี่ยมีประโยชน์ทําให้ชีวิตเราจเจริญก้าวหน้าเพราะบุญกุศลเนี่ยเรารู้และเราก็ทําตามเป็น ทำขาวอย่างไรก็ตามทั้งบาปแล้วก็ทั้งบุญเราก็อย่าไปยึดติดยึดมั่นบาปเราไม่ทำบุญเราทำแต่ก็อย่าไปติดสิ่งเหล่านี้ทาให้เราเกิดนำมาซึ่งความเกิดทําบาปก็เกิดไม่ดีทําบุญเกิดดีแต่ก็ยังเป็นทุกข์อยู่แม้เราเกิดขึ้นมาดีแล้ว การเจริญสตินี่ละทำให้จิตใจเราเนี่ยอยู่เหนือบุญเหนือบาปเหนือการเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดในภพน้อยภพใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติเจริญสติรู้สึกตัวอยู่เนี่ยเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายในใจเราเทุกบางอย่างเนี่ยเราก็กำหนดรู้ไว้เพราะเราแก้ไขาขาไม่ได้เช่นความไม่เที่ยง ของร่างกายความแก่เนี่ยเราก็รู้ว่าทุกบางอย่างเนี่ยเราต้องแก้ไขต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเช่นว่าความปวดความเมื่อยความหิวก็หายร้อนหนาวที่ร่างกายเราเป็นทุกขเวทนาเราก็ต้องทำหน้าที่แก้ไขเดียรยาค่ะด้วยสติส่วนของร่างกายส่วนทุก ที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจคือความคิดนึกต่างๆความโลภความโกรธความหลงหมมีขึ้นได้กับผู้ทุชนทุกๆคนเราไม่ต้องไปแก้ไขเรากำหนดรู้ไว้แล้วก็รรทรสมาธิละทันทีเลยเพราะสิ่งหเหล่านี้เป็นสาเหตุของความทุกข์เป็นตัวสมุ ท, ทยัยอันนี้คืออารมณ์ปฏิบัติสติเป็นผู้รู้ เป็นผู้เห็นเราเป็นผู้รู้วะเป็นผู้เห็นวะแล้วก็ทำหน้าที่กับเขาให้ถูกต้องเนี่ยเราจะได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติอารมณ์ปฏิบัติเนี่ยมาทำให้เราได้เกิดปัญญาเห็นว่ากายใจเนี่ยอ๋อมันไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นทุกข์อย่างนี้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เราจะเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริง เห็นแล้วจึงรู้เป็นแล้วจึงรู้ถ้าเรายังมีจิตใจเข้าไปคลุกคลีกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีเราจะไม่หลุดไม่พ้นเราต้องเป็นผู้เห็นผู้ดูเสีก่อนเราจึงพ้นเราจึงหลุดจากอารมณ์ต่างๆจะได้อยู่เหนือกายเหนือใจดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า จิตหลุดพ้นแล้วญาณย่อมเกิดขึ้นต้องพ้นซะก่อนจึงเกิดญาณต่างๆคือความรู้คือปัญญา